สูตรต่อไปนะครับว่าซ้ามาที่สูตรสูตรที่ตรงกันข้ามนะครับว่าจิงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นท่าอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุ น, นั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เราตถาคตเห็นสนัตว์ผู้ Credit. ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระริยเจ้าเป็นสัมมาทิฐิถือมั่นการกระทําด um ้วยอํานาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เราตถาคตกล่าวคํานั้นแล้วว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะครับ มีความดีทางกายทางวาจาทางใจนี่นะครับไม่ติเตียนพระเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถือมั่นการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะได้ฟังต่อส ม, มณะหรือพราหม์อื่นก็หาไม่ได้ก็แต่ว่าเรารู้มาเองเห็นมาเองทราบมาเองจึงกล่าวว่า เราตถาคตได้เห็นสัตว์ผู้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฐิถือมั่นการกระทําด้วยอำนาจสัมมาทิฐิเมื่อตายไปเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจในคุณงามความดีที่บำเพ็ญไปนะครับพระองค์รับรองนะครับถ้าเป็นไปตามนี้ว่าสุคตินี่หวังได้นะครับและพระค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลในโลกนี้ตั้งใจไว้ชอบ กล่าววาจาชอบกระทำการงานชอบด้วยกายผู้มีการสดับมากผู้กระทำกรรมเป็นบุญไว้ในชีวิตอันมีประมาณน้อยในมนุษย์โลกนี้บุคคลนั้นเป็นผู้มีปัญญาเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์นะครับอัตถกถาบอกว่าโอ้ตรงกันข้ามกับสูตรที่กล่าวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งจิตเอาไว้ชอบด้วยอานพิชาอัพยาตาทะแล้วก็ตั้งจิตไว้ด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วก็กล่าววาจีสุจริตนะครับพูดนะครับไม่พูดเท็จไม่พูดคําหยาบนะครับไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดก็คือพูดคําสัตย์คําจริงดํารงอยู่ในคําสัตย์คําจริงแล้วก็พูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาพูดอิงหลักอิงธรรมอิงหลักฐานอิงสังวรวินยัยปะหานวินัยเป็นต้นนะครับแล้วก็ทํากรรมนะครับด้วยกายด้วยวาจาตามพระธรรมคาสอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับแล้วก็เป็นประหูสูตร แล้วก็ทำบุญเอาไว้ในชีวิตอันมีประมาณน้อยนะครับชีวิตจะมีประมาณน้อยนิดแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเมื่อไม่ประมาทนะครับในมนุษย์โลกนี้บุคคลนั้นก็เป็นผู้มีปัญญาตายไปก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นะครับ